เมื่อวันซืนได้พาคนไปสำรวจทางเดินในป่าที่ภูหลงภูหลงนี่ก็เป็นสาขาหนึ่งของสุกโตนะอยู่ห่าจากนี่สิบกิโลพระน้อยกว่าแต่ว่าป่านี่เยอะกว่านะสามพันกว่าไร่เป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งเอหลวงพ่อท่านเคยปารบไว้นะว่าใน ช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านท่านก็อยากจะดูแลรักษาฟื้น ฟ, นฟนูป่าที่พูลหลงแต่ว่าท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้มากนะเพราะว่าชราสองราษาสุดท้ายนะภาษา5้าหท่านก็ไปจำรรษาที่นั่นทีนี้เรื่องการทำทางสำรวจทางทรรเดินป่าเนี่ยนะทางมุนิธิไทยรัก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 อย่างพาค ห, หรือแม่ชีนะเพราะว่าต้องอยู่บ้านนะทำมาหากินแต่ว่าเวลาอาบน้ําเวลากินข้าวเวลาหันผักนะมันก็ปฏิบัติทําได้ก็เจริญสติไปได้ช่วยโอกาสหลวงพ่ออเขียนท่านเปรียบว่านักปฏิบัติธรรมต้องช่วโอกาสเหมือนแม่ค้าแม่ค้าแถวสถานีรถไฟนะแม่ค้าตามสายรถไฟนี้เขารถจอดสถานรถไฟจอดแค่3นาที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 ก็ใช้เวลาไม่นานนะแค่ห้นาทีบางทีไม่ถึง5นาทีก็ขายของไปได้เยอะหลวงพ่อท่านว่าเนี่ยพุ่เนี่ยชว่วยโอกาสนะคือชว่วยกาสทางที่ดีนะคือชว่วยเวลาที่มีอยู่นอกปฏิบัติธรรมก็ต้องชว่วยโอกาสแบบนั้นบ้างเวลาแค่3นาทีห้นาทีก็ไม่ปล่อยทิ้งให้ผ่านเลยไปเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมอเอามาใช้ในการเจริญสติมีเพื่อนคนนึงเป็นหมอเป็นหมอผ่าตัดนี่งานเยอะมากเพราะเขาเขายัน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 แล้วก็เตรียมรับพร